ประเด็นอย่างนี้ใครสงสัยใครจะยังไงเนาะอ่าให้มาคุยกันคุยในประเด็นอย่างนี้นะเออไม่ไม่ไปนอกเรื่องอื่นกล่าวน้ำมันส ก, การราชญาณครับในแง่ของที่ศึกษาธรรมะมานะครับตอนแรกเข้าใจว่าปฏิบัตินั้นก็คือเราไปปฏิบัติก่อนพอไปปฏิบัติตัวเราจนความรู้สึกตัวแจ่มแจ้งแลนะเดี๋ยวมันดุดเองซึ่งตรงนั้นก็ตอนหลังมารู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเราไปปฏิบัติซึ่งพอไปอีกสายหนึ่งที่อภิธรรมนั้น อภิธรรมบอกว่าเออการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเราไปทําแต่พอเขาพอศึกษาไปศึกษามานี่พบว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นสังขารละขันไปหมดเลยที่เราทำทำกันอยู่นี้เป็นสังขารละขันหมดแต่ว่ามีธาตุรู้ที่ไปรู้สภาพทั้งสองอย่างคือสภาพที่เป็นเราทําและสภาพที่ที่เรียนรู้มาแบบว่าเออจํามาโดยอภิธรรมนั้นก็เป็นลักษณะว่าเราไปจํามาแล้วเรามาพูดก็ไปก็ก็พ่ายแพ้สังขารละขันอีก ดังนั้นดังนั้นเห็นความต่างเลยครับว่าเออถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่อย่างละเอียดจริงๆนั้นเราก็จะเป็นประเภททั้งสองฝั่งก็คือฝั่งที่เป็นตัวเราทำร้อยเปอร์เซนกับคิดไปเองว่าไม่มีเราเหมือนกับบอกว่าเออเ อ, อผลไม้อ่ะครับมันต้องมันมาจากต้นมันมาจากปลายยอดใช่ไหมครับก็ก็พูดแต่เพิ่งผลไม้ที่ปลายยอด แต่ถามว่าเออเวลาขึ้นเขามีเวลาขึ้นต้นไม้ใครขึ้นจากปลายยอดบ้างครับเขาก็ขึ้นจากลําต้นจากจากฐานล่างดังนั้นการที่อาจารย์ญญเมตตาโดยเฉพาะหลวงพ่อบอกว่าเออตอนนี้ใครพูดนะก็คุก็ผมจอมพูดนะครับแล้วใครมารู้จอมละ่ะตัวนี้อครับตอบไม่ได้ดังนั้นผมว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเล่นกลอยูอ่อะครับว่าเออถ้ารู้เราก็จะเห็นว่าเราถูกรู้แต่ถ้าไม่เริ่มจากรู้เราก่อนนะครับแล้วเราถูกรู้ก็จะไม่มีครับ กลับน้มัมทนาทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านครับเดี๋ยวค่อยเติมก็อีกครับกลับกับก็บคุณครับกลับนวัตการครับไม่ไม่ทราบยินเสียงผมไหมครับได้ยินได้ยินถ้าไม่มีเราแล้วใครได้ยินนะครับเออการได้ยินเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงนะการได้ยินเนี่ยมีอยู่จริงแต่ผู้ได้ยินเนี่ยไม่มีนะหลวงพ่อขยายความอย่างนี้ก็ได้ปริยมเพิ่งเข้ามาเมื่อเนาะเสียง นะเสียงก็มีอยู่จริงเพราะมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเมื่อเสียงมีการได้ยินก็มีนะทีนี้ตัวหลวงพ่อเนี่ยสมมตินะเรียกว่าหลวงพ่อได้ยินเนี่ยแต่จริงเนี่ยตัวหลวงพ่อไม่ได้ยินอะไรเพราะว่าตัวหลวงพ่อเป็นแค่สภาพธรรมะที่สิ่งถูกเห็นถูกรู้นะแต่การได้ยินเนี่ยมันเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงซึ่งไม่ใช่หลวงพ่อเออตรงนี้ฟังเข้าใจไหมเอย ถามได้นะโยมนะมันเป็นประโยชน์นะสงสัยตรงไหนถามได้เนาะ <c oughs> เราจะได้ช่วยกันเกื้อกูลยกระดับภูมิจิตภูมิธรรมพันธยาของเราถือว่า <นำ S 1> ห้องย <นำ S 1> ไม่ไมีอาจานะไม่มีลูกศิดครับขอกาสครัรพระอาจารย์อยากจะเรียนถามในทางปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะไปไปให้ชัด ไม่รู้ชัดเจนว่าตัวที่ถูกดูกับตัวหายตัวเราว่าตัวเรากับที่ที่เห็นตัวเรานะครับคือผมปฏิบัติแบบว่าหลังจากที่ฟังพระอาจารย์วันนั้นเมื่อวานนี้นะครับผมอที่เห็นเราก็เราเห็นนะครับก็พยายามจะไปดูว่าเรามีตัวหนึ่งที่เห็นเราตัวเรเห็นเราก็คือ ก็อถอยออกมานิดนึงก็คือเราเราจะเดินก็มีตัวหนึ่งที่เห็นเราก็รู้สึกว่ามันเห็นเราอยู่เราเดินเราทําอะไรทําอะไรก็ดูอตั้งสติไว้เพื่อที่จะให้ไม่ให้มันเห็นเราทีนี้พอถ้าเราไม่มีสติถ้าเราเผลออื่นไอไอตัวที่เห็นเรามันก็ไม่มีแต่พอสติแล้มาเราตั้งใจปั๊บก็เออมันก็มี อ, อื่นเราเห็นเรา กำลังทำน่นทํานีน่อยู่มันจะแวบแวบไปแวบๆมาแวบไปแวบมาอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพายจาร์ครับไอตัวที่เห็นเรานะครับสภาพธรรมะต้องสภาพธรรมะการเห็นเราการรู้เราเนี่ยต้องมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นตายตัวเลยจะเป็นอดีตก็ไม่ได้นะจะเป็นอ<ล>นาคตก็ไม่ได้เพร<ล>าะฉะนั้นต้องเห็นเรา<ม>คือเห็นเดี๋ยวนี้ว่าเราเนี่ยกําลังอยากจะรู้เรื่องของการเห็นเราให้เห็นตัวเราตัวเนี้ย ที่กำลังถามกําลังคุยเพื่ออยากจะให้เห็นเราเออตอนนี้เดี๋ยวเห็นเราได้ไหมว่าเออเนี่ยตอนเนี้เราเงียบไปแล้วเราหยุดไปแล้วเออแล้วก็ผิดสักหน่อยเดี๋ยวก็เริ่มพูดอีกแล้วเนี่ยคือเห็นเราปัจจุบันแบบเนี้อไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปหาเอาตัวเราเพื่อที่จะไปทําความทําเข้าใจอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเห็นเราไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเอาตัวเราไปไปค้นไปหาแล้วไงแต่ทีนี้ถ้ามีคนชี้บอกว่า การเห็นเราเนี่ยมันต้องเห็นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้สมมติหลวงพ่อชี้บอกว่าเนี่ยเห็นเราได้ไหมล่ะเรากําลังนั่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่ามีคนชี้นําชี้บอกก็เห็นได้นะเออนั่งอยู่อ่าแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ตัวเรายังนั่งเงียบอยู่ยังไม่พูดเลยก็รู้ได้นะเห็นได้นะว่าตัวเราเนี่ยนั่งเงียบอยู่อ่าแล้วก็นั่งเงียบต่อไปแล้วก็ในใจมันก็บนก็พูดพากไปว่า เอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์พูดเสร็จแล้วเราจะพูดมั่งอันเนี้ก็เห็นมาที่ตัวเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเห็นเราเนี่ยต้องเห็นปัจจุบันขณะจริ ง, รงๆก็คือเรื่องสติปัฏฐานนี่แหละมันเริ่มต้นจากการรู้ตัวในปัจจุบันขณะอตรงนี้พอทันไหมตีหลงพอ่อพอ่อกำลังอธิบายทันอาจารย์ครับทําอยู่เพราะว่าตอนนี้ผงพูดก็รูนะ้ว่าเราพูดอยู่เพราะว่ากำลังพูดอยู่ก็เห็นอยู่เห็นเห็นกับรู้มันก็คล้ายๆกันนีนะครับ ใชครับใช่แล้วทีนี้ถ้านอกเหนือจากนี้แต่โดยบางครั้งน่ะถ้าถ้าสติเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นคงน่ะคือสติเราไม่ตั้งมั่นการที่เห็นเรามันก็มันมันก็จะหายไปใช่ไหมครับอาจารย์คำว่าบางครั้งไม่มีอันนั้นบางครั้งในบางครั้งหมายความว่าเราอะไปเริ่มเอาอาดีตหรือว่าอนาคตไปแล้วมาเพิ่ม<อ>มันก็ว่าเอออันนี้เนี่ยก็ให้รู้เท่าทันว่าเราเนี่ย หลงหลงไปไปคิดแต่เราไม่เห็นเราที่กําลังเป็นผู้คิดเรับเอหรือว่าเนี่ยเนี่ยมันต้องกลับมาอย่างเนี้คนส่วนมากก็มักจะติดใจในเรื่องอดีตว่าอดีตมันเคยหลงหรือว่าอนาคตไม่รู้ทําได้หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะตัวเองกําลังพูดกําลังถามถามอยู่คนเดียวเนี่ยคือคือไม่เห็นเงี่ยเพราะนั้นเน้นจริงๆเลยเรื่องเนี้ยต้องเป็นปัจจุบันขนาดเท่านั้นถึงจะแจ่มแจ้งแล้วก็เข้าใจแต่ได้เห็นถ้าเห็นที่ที่เราพูด มันนึกตึกดองมันพูดข้างในอยู่เรื่อยๆแต่เราเห็นตัวนี้ง่ายกว่าที่จะไปเห็นตอนที่เราเราเราพูดเราเราเคลื่อนไหวนะครับพี่อาจารย์ก็ถ้าเห็นตัวที่เราคิดความคิดมันง่ายกว่าผมว่ามันเห็นตัวนี้ง่ายกว่าก็แล้วเราดูในความคิดได้ไหมครับเออมันมันแล้วแต่ความชํานาญบางคนเนี่ยอาจจะเห็นทั้งตัวบางคนเนี่ยเห็นความคิดเออแต่แต่ความคิดผมเห็นง่ายกว่าตอนนี้ก็คือคิดกับติดตัวมาเนาะครับ แต yeah. ่จริงๆอ่ะง่ายกว่านะลองดูนะคำว่าง่ายกว่าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเราพูดในปัจจุบันแหละแต่มันจริงมันผ่านไปแล้วเนาะก็ต้องต้องเห็นตัวเรารู้ตัวเราเพราะว่าไอ้สภาพธรรมะที่รู้หรือว่าที่เห็นเนี่ยมันไม่มีง่ายแล้วก็ไม่มียากแต่มันรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นผู้ยากเป็นตัวเราเป็นผู้ง่ายมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยแต่ธรรมชาติรู้สภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกว่า มันะ่ะยากหรือง่ายเพราะว่ามันทําความไม่ปรุงแต่งมันได้แต่รู้เนาะแต่เวลารู้อะไรเนี่ยส่วนมากตัวเราก็จะเป็นผู้พูดเองว่ายากหรือว่าตัวเราเป็นผู้ผู้พูดเองว่าง่ายแต่สภาพธรรมะที่เห็นตัวเราหรือว่ารู้ตัวเรามันไม่พูดมันได้แต่รู้รแต่ถ้าพูดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เอา้าก็ตัวเราพูดอีกแล้วก็จะถูกเห็นหลุล่ําไปผมเมืาา่อไปสักขัน ที่มันพูดออกมาโอ้โหที่ที่ ท, ท, ที่ตัวมันรู้ว่าเราก็เป็นสา ข, ขาเนี่มันก็รู้เฉยๆเข้ามันในขณะตอนนี้ก็รู้ว่าผมกำลังพูดมันก็รู้อยู่แต่มันมันมแต่มันไม่ได้พูดอะไรใช่ใช่มันไม่พูด<า>อะไรเพราะว่าถ้าพูดคือเราพูดเองเออถ้าพูดเราพูดเองทุกทีแล้วเป็นเราเราปรุงแต่งเองเป็นเป็นเป็นเป็นสาขาปรุงแต่งที่มาพูดออกมาใช่ใช่แต่ตัวที่รู้มันก็รู้เราอยู่ว่าว่าเรากำลังพูดเอ้ยตัวตัวตัวนั้นมันจะเป็นรู้รู้ห่างๆรู้แบบรู้แบบ เฉยๆนี่ใช่ไหมครับตัวรู้ชื่อืใช่ตัวนี้ไหมครับพ ajar คือไอ้ที่รู้ห่างๆที่รู้เฉยๆนี่เราพูดเองหมดเลยใช่ใช่ไ่้มาพูดได้มาให้พ ajar รู้ครับผมแต่ต้องให้ให้เห็นตัวตัวตัวเรานี่แหละเพราะว่าหลวงพ่อต้องการเน้นให้ให้รู้ตัวเราครับผมหลวงพ่อจี้จุดทุกขณะจิตเลยนะตอนเนี้เนาะสังเกตนะพยมพูดอะไรปั๊บเนี่ยเราหลวงพ่อก็บอกว่าเราเป็นคนพูดพูดนะแต่มัน่ะมันก็รู้เราว่าเราพูดเออมันเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาแต่มันก็ไม่เคยพูดแล้วเช่นเราพูดว่าเอย มันอยู่เหมือนกับห่างๆกับเรานี่เราก็พูดเองนั้นน่ะแต่มันก็ไม่ได้พูดว่ามันอยู่ห่างหรือไม่ห่างเนาะอ๋อครับผมเพอพอรู้อยู่ครับวอาจารย์เข้าเข้าใจเข้าใจอยู่ครับเออใช่ว่าเข้าใจคือมันก็ปุงแต่งบอกว่าเข้าใจก็จะสื่อกับพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องว่ามาหายมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นอันอื่นแล้วไอ้ตัวนึงตัวนี้มุกก็รู้รู้เราดูไปเรื่อยๆใช่ใช่ท่านี้ถ้าถ้าทติเราเพียงพอไมะเห็นตัวตัวตัวที่คิดที่คิดและพูดในใจของมัน แล้วในี่นี้ถ้าเราเดินไปเดินมานี่มันมันมันจะเห็นตัวตัวตัวเราที่มันเดินไปเดินมาไอ้ที่พูดกับอาจารย์นี่ก็รู้ ร, รอยู่กำลังพูดอยู่ไอเราเระวางเจว่างดีวางใจแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมครับอาจารย์คือเอาหลักตรงนี้เลยถ้าถ้ า, ถ, าถ้ารู้ตัวเรานะผมทําตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเพียนเนขะาทําคำเพียนเนาะ ม, มันหลงบ้างรู้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันจับจับเองว่าเอ เราพูดไม่หยุดเลยเราถามไม่หยุดเลยมันก็จะรู้เราหมดเลยนะเดี๋ยวจะจับตาเอาเป็นยังไงเออเช่นเราสงสัยก็รู้่สงสัยใช่ใช่เช่นสมมติว่าตัวเราบ่นสงสัยบอกเอ๊ะมันทําถูกไหมวะมันก็รู้ตัวเราอีกว่าเราอะบ่นว่าเอ๊ะมันทําถูกไหมวะหรือว่าตัวเราสงสัยเนาะมันรู้เราหมดแหละครับพฤติกรรมแบบเนี้ยเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือสังขารเนาะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่เวลาเราสื่อสารสมมติเนี่ยเราเรียกว่าตัวเรา แต่โดย <mar> ปรมัตธรรมเนี่ยคือเป็นสภาพธรรมะที่ที่พูดได้คิดได้ปรุงแต่งได้มีความรู้สึกได้อ่าเพราะฉะนั้ น, นไอตัวนี้เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่กระดุกระดิกแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันไม่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวไม่มีลักษณะของการกระดุกระดิกถ้าไปรู้ว่ามันเคลื่อนไหวหรือมันกระดุกระดิกมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกมคับผมเออเพราะนั้นเน <พ fortune. S 2> ี่ยโดยสภาพธรรมะที่ทําหน้าที่รู้หรือว่าเป็นสภาพธรรมะแท้ๆล้วนๆเนี่ยที่ว่ารู้จริงๆเนี่ยไม่อาจจะ ไม่ไม่อาจที่ใครจะไปรู้ได้หรือว่าไปพบได้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าลองไปพบดูดีว่าไอ้สภาพธรรมะที่รู้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นไอ้นั้นมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ก็ไม่ใช่สภาพธรรมะที่รู้ที่แท้จริงเออเพราะงั้นพอฟังเข้าใจได้เนาะสภาพธรรมะที่รู้โดยแท้จริงเนี่ยไม่อาจจะเป็นสิ่งถูกรู้ได้เลยครับผมเข้าใจครับอาจารย์มันตายตัวเช่นนั้นอ่ะเออมันเป็นนี่มันตายตัวเออไตยตัว ที่เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นวิสังขารแล้วมันไม่ปุงไม่เตี่ยงมันที่มันเป็นกิจคือพุทธะที่หลวงปู่ดูลพูดใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องครับผมเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากครับผมเดจะเพียนต่อไปครับผมแต่ที่จะเพียนต่อไปมันก็เป็นสังขารนี่มันก็ชาตอโอเคถือว่าเข้าใจแล้วแหะเพราะว่าพอหลวงพ่อมันรู้เลยว่าอ๋อที่พูดเอาเองมันอย่างนั้นแต่ในนั้นะมันซ้อนกันอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องสื่อภาษาสมมติเพื่อ แสดงออกให้เห็นว่าเออเข้าใจเนาะเออครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมก็ปิดปากพูดมันก็เลยไม่รู้เรื่องกันครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์คขอบพระคุณครับผมการคุยเนี่ยนะมีประโยชน์มากนะไม่เสียเลยเพราะว่าคนที่ฟังเขาก็กําลังพิจารณาอย่างเยบคายอยู่แล้วก็เอ่ออาจจะเข้าใจเพิ่มเติมเออเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาว่าเออว่าดใช่หวาใช่หวายอะไรเนี่ยตรงนั้นเราจะเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายอย่างนี้คราวน้ำมนสการอาจารย์ครับตรงนี้มีประเด็นน่าสนใจว่า บางทีเราก็ไปกังวลว่าขณะไหนเป็นสติมัง่งขณะไหนรู้สึกตัวมั่งจริ ง, รงๆไม่ปล่อยไปเลยคือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเออไม่คาดหวังที่จะได้อะไรแล้วก็ไม่คาดหวังจะเอาอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือผมลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าเรามองอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใจเราลอยเราเผลอไปกับเรื่องนั้นแสดงนั้นคือเผลอแต่เวลาใดที่ตามที่เราอันนั้นเรากําลังบีบสิวนะครับเรากําลังบีบสิวแล้วก็เราบีบอย่างรุนแรงนั้นขณะนั้นเราก็เพ่ง แล้วก็เราก็ไม่เผยก็เพง่งนะครับแต่ว่าการที่จะเห็นตัวเองทั้งตัวตรงนี้ครับมันไม่เห็นเลยครับมันจะเป็นเห็นเฉพาะจุดเห็นเฉพาะจุดในจุดหนึ่งเช่นบางครั้งถ้าไปอยู่กับการดูหนังดูละครหรือส่งจิตออกนอกก็ไปเลือ่อยเปลยหมดนะครับไอ้นั้นก็ลืมว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่ตอนนี้แต่ขณะที่กําลังบีบสิวอยู่ก็สนใจแต่เรื่องสิวเนี่ยครับบีบบีบจนลืมว่าเออไม่ได้เห็นตัวเองทั้งตัว บางคนก็มีกุศโลบายเหมือนกับว่าดูทีวีไปด้วยที่อพวกฝึกวิชาลุกสึกตัวดูทีวีไปด้วยก็เคาะขาไปด้วยตรงนั้นก็เป็นเป็นเราทําอีกดังนั้นมันยากเหมือนกันนะครับที่จะสื่อตรงนี้แต่ท่านอาจารย์ออสบอกว่าอท่านก็ได้เห็นนาฬิกาแล้วก็เออดูไปดูมาเพ่งนาฬิกาเพ่งไปเพ่งมาเอา้าไอสิ่งที่ดูนี้มันก็กลายเป็นเป็นถูกเห็นทแล้วมันก็เลยมันเลยเก็ตเลยครับข้อนี้แล้วประเด็นที่สองก็คือทั้งหมดทั้งมวล ท, ท, ที่ที่เป็นไป คือสังขารแลขันทั้งนั้นนะครับดังนั้นดังนั้นปัญญาและครับที่จะรู้แล้วก็ที่สําคัญที่รู้กว่าปัญญาก็คือถ้ารู้ที่เป็นจิตพุทธะเดิมแท้นะครับกล่าวขอบพระคุณครับโอเคอก็ได้พูดออกมานะมาตัว่าผู้พูดเนี่ยได้เข้าใจถึงได้พูดอย่างนี้ได้นะอ่แต่ก็คือมันเข้าใจหมดแต่ว่าต้องอาศัยคําพูดสมมุตินะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเออมีความเข้าใจอยู่นะ ทีนี้เดี๋ยวมันมีอยู่นิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยสมมตินะเรายกตัวอย่างว่าใครก็ตามที่มีความคาดหวังนะมีความคาดหวังว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการคาดหวังเนี่ยอันนี้จริงๆมันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดนะเป็นความปรุงแต่งแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีตัวเราเป็นผู้คาดหวังอ่าแต่ถ้าเห็นพอมันอย่างเมื่อกี้ของอย่างของของของโยมจอมใช่ไมโยมจอมบอก พูดถึงอยู่คำหนึ่งต้องคาดหวังในั้นอย่นี้ถ้าใครคาดหวังหรือไปรู้ทันว่าเอ้ยมีตัวเราเป็นผู้คาดหวังถ้ารู้ตัวเราทันในขณะนั้นเนี่ยความคาดคาดหวังเนี่ยก็จะดับไปเพราะมันรู้ว่าผู้คาดหวังจริงๆไม่มีแต่ถ้าไม่เห็นตัวเรามันก็จะมีตัวเราเป็นผู้คาดหวังอยู่ล่ําไปเลยแล้วก็จะทําอะไรก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่มันมีอัตรามีตัวตนเป็นผู้คาดหวังแต่ถ้าเห็นนะเห็นตัวเราผู้คาดหวังปั๊บเห็นไหมมันก็จะ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าไอ้ผู้คาดหวังเนี่ยที่มันเป็นตัวเราเมื่อสักครู่เนี้ยโธ่แท้จริงก็เป็นแค่สิ่งถูกเห็นแล้วมันก็เมื่อถูกเห็นไปแล้วมันก็สลายไปกลายเป็นว่าผู้คาดหวังก็ไม่มีเหลือไอ้ตรงที่ผู้คาดหวังไม่มีนั่นแหละจริงๆริอะมันถึงที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงที่ว่าไม่มีตัวเราอ่าเห็นไหมแต่ถ้ารู้ตัวเรารู้ตัวเรามันก็จะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นเป็นสังขารใช่ไหมถ้ากล่วว่าเออไม่มีตัวเรามันก็จบตรงนี้ แต่ถ้าขาดสติหรือขาดปัญญาไม่รู้รู้ไม่ทันความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นมันคลองเขาเรียกว่ามันคลองตนอยู่อย่างนั้นแหะจนกว่าจะรู้สึกตัวจะรู้ตัวว่าโอ้หลงผิดมาว่ามีตัวเรามาตั้งนานพอรู้ว่าหลงแค่นี้ยความเป็นตัวเราก็ดัาปีกแล้วเนี่ยเพราะงั้นตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเนี่ยคือชีวิตเนี่ยต้องมุ่งเน้นแต่เรื่องตรงตรงนี้ให้มากกว่าอาชีพที่เราทําอยู่ในทุกวันเนี้ยอันนั้นก็ทําไปเนาะทําไปเพื่อเรื่องชีพเพื่อมีชีวิตอยู่ได้นะ แต่หลักๆเนี่ยแก่นของมันเนี่ยคือรู้ตัวตรงเนี้ยโอ้โหเป็นงานที่แบบโอ้แบบเหมือนกับภาษาสมมตินะคือมันมันสนุกจังเลยอ่ะเออมันสนุกจังเลยอเอออย่างเงี้ยเนี่ยก็ขอโนโมธนาพระาจานทร์ออส น, นะอ่าก็พันพยายามเน้นให้เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่รู้ได้ยากที่สุดคือเราเนี่ยไม่มีเราในปัจจุบันนะ แต่ถ้าเมื่อไรอเธอรู้เท่าทันก่อนที่มันจะปรากฏนะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันปรากฏนะ ท, ท, ทั้งๆที่อันในตัวของมันเองเนะมันก็ว่างอยู่แล้วนะแต่เมื่อไรอเราหลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้นะมันก็จะไม่รู้ตัวความว่างจากที่มันว่างอยู่แล้วมันก็จะไม่ว่างทันที อ่ามันอย่างที่พระอาจารย์ออทพูดได้ชัดเจนเนาะใครจะถามอะไรก็เชิญได้เนาะมีดบาดมันเจ็บไหมครับเออถามใหม่นะเมื่อกี้ไม่ชัดไปถ้ามีดบาดนะครับใครเป็นคนเจ็บครับเราความความเจ็บอ่าเราพลางพ่พูดอย่างนี้นะความเจ็บเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเออตรงเนี้ต้องไฮไลท์ต้องแบบเน้นกันตรงที่ว่าความเจ็บเนี่ยมีอยู่จริงเป็นสภาพธรรมะมันเป็นธรรมะคือคือมันมีอยู่จริงเพราะว่าคําว่าธรรมะเนี่ยคือ สิ่งที่มีอยู่จริงนะแล้วใครเจ็บนะครับไม่มีถ้าสมมุติเรามีปัญญาเนี่ยเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งมันมีแต่ความเจ็บไม่มีผู้เจ็บความเจ็บมีแต่ผู้เจ็บที่จะไปรองรับว่าเป็นกูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเราเจ็บเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าเป็นเป็ น, ปนผู้ที่มีสติปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าความเจ็บเป็นแค่ ส, สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วคนที่เจ็บอ่ะครับไม่ถึงว่าคนที่ไม่มีปัญญาคนที่เจ็บอ่ะ อ๋อถ้าคนที่ไม่มีปัญญาเนาะเมื่อรู้ว่าเจ็บแล้วเนี่ยเข้าไปยึดถือว่าความเจ็บเป็นของกูเป็นกูเลยเป็นของกูเป็นกูอันเนี้เขาเรียกว่าเป็นอวิชชาคือมันหลงไงหลงหลงไปยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนอ่าแต่ถ้าไม่ยึดถือมันก็แค่มีสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนั้นขณะปัจจุบันนั้นน่ะไอ้ถามถาไปมเรื่อยๆนะ ถ, ถ้าผมฉีดยาฉาแสง ผมมีปัญญาไหมครับไอ้ผมก็ไม่รู้ไงครับผมก็ไม่เข้าใจคือ<จ>คือฉีดยาชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะฉีดเนี่ยคือไอ้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมากมายมีเยอะมากเลยเอาสมมุติหลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะความเจ็บ ก, ก็เป็นสภาพอันหนึ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็การฉีดนะสมมุติการฉีดเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเข็มนะเข็มเนี่ยจริงๆมันก็เป็นสภาพธรรมะแต่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นภาษาเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้ภาษา เพราะฉะนั้นเข็มเนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจ็บนะแล้วก็ไอแรงผลักดันที่เป็นพลังงานดันให้เข็มเข้าในเนื้อเนี่อนยอันนั้นมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งก็มีอยู่จริงเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เข็มแล้วก็ไม่ใช่เจ็บแล้วก็ไอเนื้อเนี่ยเนื้อที่ถูกฉีดถูกแทงเนี่ยถูกทิ่มเนาะอันนี้มันก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เข็มแล้วมันก็ไม่ใช่เจ็บมันก็ไม่ใช่พลังงานที่ขับเคลื่อน รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งมันไม่ใช่เราเลยแต่ถ้าหลงผิดไปหลงยึดสภาพธรรมะแต่ละอย่างมาเป็นตัวเป็นตนคือเป็นเราแล้วก็ยึดว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอ๋อปัญญาคือเรื่องอย่างนี้คือเรื่องที่เข้าใจแล้วเข้าใจอ ย, อย่างแจม่มแจ้งแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่มีเราในนั้นเลย มันไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจถึงใจอ่ะคือร่างกายไอ้ตัวเราประกอบไปได้วยขันห้าถูกต้องไหมครับอือมทีนี้ไอ้ตัวที่ไปยึดไปอะไรเนี่ย ม, มันใช่สังขารไหมเห็นเมื่อกี้ผมได้ยินพูดถึงเรื่องสังขารกันเยอะใช่ไหมครับใช่ไหมไอต้ตัวที่ทใช่สังขารไหมครับหรือไม่ใช่หรือเป็นอะไรเลยจริงๆอ่ะไอ้ตัวที่ยึดมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อต้องอุปมาอุปไมยนะขันห้าครับเพราะมีเพราะเรามีแค่ขันห้าแค่นั้นแหละ มันก็คือหนึ่งในหถูกต้องไหมครับมันจะเป็น อ, อย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างอื่นปุ๊บคาสอนคุณเจ้าก็ต้องผิดถูกต้องไหมครับ เ, ออ เ, ออเพ ร, รเออเาะฉะใช้้ตัวไปยึตก็คือหนึ่งในขันห้านี้ถูกต้องไหมครับคือมันไม่ใช่ขันห้างไงถ้าไม่ใช่แสงโอ้คุณเจ้ า, จาสอนผิดสิครับถ้าอย่างเนี้ยไม่ใช่เพราะคุณเจ้าสอนถูกหมดเลยไม่มีสอนผิดแต่เราว่าเข้าใจผิดขันห้านี้ถ้าอนี้เพราะว่าจําเป็นต้องแยกเป็นขันเป็นขันนะเออคือ ไอ้ขันแต่ละขันเนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างสมมติว่ามีห้าถูกไหมถ้ามีห้าเพียวๆเนี่ยมันไม่มีผู้ยึดเนี่ยมันก็ก็ไม่มีปัญหาแสดงว่าไอ้ความหลงไอ้ความยึดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอีกอีกสิ่งหนึ่งเพราะว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือมันมีมากมายใช่ไหมขันห้าก็มีห้าขันเท่านี้มันก็มีของมันอยู่แล้วก็ยังเป็นขันห้าอยู่ แต่ถ้าลองมีอะไรอีกสิ่งหนึ่งมายึดเนี่ยคือความไม่รู้เนี่ยอวิชาเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันเป็นสภาพธรรมะอันหนึง่งเพราะฉะนั้นไอ้สภาพธรรมะที่ยึดเนี่ยมันจึงไม่ใช่ขันห้าคือเราเนี่ยไอ้คนหนึ่งคนเนี่ยประกอบไปได้วยรูปกับนามถูกต้องไหมครับอืมใช่ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมครับถูกถูกรูปกับนามเนี่ยจริงๆมันย่อมันย่อมาจากขันห้าขันห้าก็มีหนึ่งรูปสี่นามถูกต้องไหมครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเออ จริงๆเ่ยมันควรต้องมีแค่นี้แต่ถ้าแต่ดหลวงพ่ออธิบายว่ามันมีมากกว่าเนี้แสดงว่าไอ้ตำราที่เราเรียนมันมันไม่ถูกต้องสิครับมันก็มันก็เป็นอ่าอื่นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เกิดจากตัวเราไม่เกิดจากอย่างเช่นอ่อาใช่ใช่ไหมครับเดีอย่าังงี้ก่อนนะอันนี้นี่จริงๆเราคุยนอกตัวเยอะนะเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปคิดไปค้นเนี่ยอันนี้คือตัวเราขันห้าเดี่ยคือตัวเราใช่ไหมครับเดี๋ยวช้า ๆ, ๆนะช้าๆนะอย่างว่าอย่างนี้ สมมตินะให้ลองพินาดูก่อนถ้ามันเป็นขันห้าขันห้าแต่ไม่มีอะไรยึดใช่ไหมก็ตัวตนไม่มีนะขันห้าถ้าไม่มีอะไรยึดก็ไม่มีตัวตนอะไรแต่ถ้าขันห้ามีแต่ว่าด้วยความหลงด้วยอวิชชาเนี่ยซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมายึดมันก็เป็นตัวตนเห็นไหมขันห้ายังเท่าเดิมเลยนะขันห้ายังเท่าเดิมยังห้าขันอยู่ถ้าไม่ยึดมันก็ ก็เป็นแค่ขันห้าเพียวๆก็คือแต่ถ้ายึดมายึดนะครับอ่าแสดงว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ที่หลงปนปนเปื้อนเข้ามาก็เลยมาเป็นมายึดเลยความหลงผิดอ่ะคือความไม่คือขันหกแหละครับหเลยยังไงครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเลยนะยังไงครับพี่ครับเอางี้อย่างี้เดี๋ยวเดียคือคือดีแล้วแหละที่ถามเนี่ยเพราะว่าการถามเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กันทุกฝ่ายนะเราเราถือว่าเป็นเรื่องดีหมดเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันมีเยอะแต่ถุงเลาะลง พ่อตักประเด็นตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยมันเอาตัวเรานึกว่ามีตัวเราจริงๆนะแล้วก็ให้ตัวเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของขันห้าในเรื่องของความหลงแล้วก็ถามมาว่ามาจากไหนเพียงแต่ในปั่ จ, จุบันอธิบายได้ไหมครับเดี๋ยวตอนดีเรากําลังกําลังชี้แจงแเปิดใจฟังนะเพราะว่าเรื่องพวกเนี้ยเพราะว่าธรรมะเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันการที่เวลาหลงเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อกำลังชี้บอกเรื่องของความหลงคือหลงคิด หลงที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจนะให้ตัวเราเนี่ยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องเนี้ยแต่ทีเนี้ยปัจเนี้ยเดี๋ยวนี้คือลืมตัวไปว่าไอตัวเราจริงๆเนี่ยที่กำลังพูดกำลังคิดก็ดีมันเป็นสิ่งถูกรูนะแต่ต้องเข้าใจเรื่องเรื่องธรรมชาติรู้ก่อนนะธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าไอธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงซึ่งมันไม่ใช่ขนันห้า มันพ้นไปจากขันห้าคือมันเป็นวิมุตตมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ขันห้าเนี่ยเป็นความปรุงแต่งตรงนี้มันอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าถ้าเห็นตัวเราได้เนี่ยมันจะเข้าใจได้เลยเข้าใจจริงๆเพราะนั้นเนี่ยเ ร, เริ่มต้นเบื้องต้นเนี่ยให้รู้ตัวเราซะก่อนแล้วก็จะเข้าใจทุกเรื่องเลยนะปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าขณะนี้เดี๋ยวนี้ยังรู้ตัวเราไม่เป็นเนาะมันยากมากที่จะอธิบาย แต่ว่าถ้ารู้ตัวเราเนี่ยรู้ตัวเนี่ยว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดได้คิดได้แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันไม่พูดมันไม่คิดเนี่ยมันได้แต่รู้เนี่ยตรงนี้มันจะเข้าใจเข้าใจคือหมดปัญหาแน่นอน<ๆ>เพราะนั้นเริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มจากให้มันเข้าใจตรงนี้ที่หลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยคือรู้ตัวเราให้เป็นก่อนแล้วจะเข้าใจจริง